พุทธ ว, วัสดีค่ะพุทธ ว, วัสดีวันมาฆบูชาแล้วก็สวัสดีวันวาเลนไทน์ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะคะดูเหมือนกับว่าเป็นวันแห่งชาติของไทยไปด้วยอีกอย่างหนึ่งแล้วเรามาพบกันในรายการนี้สําหรับชาวพุทธเราต้องเอามาฆบูชานําหน้าวาเลนไทน์นะคะแล้วก็วันนี้ถ้าเป็นคนที่ศรัทธาในาพระพุทธศาสนาจริงๆจะเตรียมตัวทําสารพัดเลยค่ะทําบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมฟังธรรมเวียนเทียนส่วนรายการของเราในช่วงเช้าเดี๋ยวไปถามท่านพิบูรค่ะละกันนะคะว่าท่านจะให้เราได้ประกอบกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับการกุศลในวันมาค้าบูชานี้กันบ้างกราบนมันส ก, การกับท่านพิบูลคะ่ะเชิญพานถ้าพูดถึงวันมาค้าบูชาทุกท่านก็คงจะต้องพูดถึงคาถาที่บูะเ า, าได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของโอวาทปฏติโมก วันนี้ก็จึงจะให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองในขณะที่เราฟังเนี่ยให้ควรไปด้วยว่าเอ๊ะทำไมบทที่พระชาพูดสั้นๆเนี่ยซึงมีความหมายลึกซึ้งมากให้เรามีสติในลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ระลึกถึงลมหายใจของเราหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาในขณะที่เรามีสติอยู่ในลมหายใจอย่างนี้คาถาที่พระชจ้าได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของโอวาทปาติโมกนั้น ได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าขันติคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทําร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบนรรญญัติผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณนะการไม่ทําความชั่วทั้งปวงการบําเพ็ญแต่ความดีการทําจิตของตน ให้ปร่งใสนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายการสำรวมในปาติโมก ค, ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดความเพียรในจิตอันยิ่ง6อย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย แนคือโอวาทปาติโมกข์ที่ได้ตรัสไว้ในวันมาคาบูชานั่นเองเรียนบังค่ะสาธุค่ะท่านฟังทั้งหลายก็ได้นั่งสมาธิกันไปพร้อมๆกับการที่ท่านเผยบูรได้สาธยายประสูตรโอวาทปาติโมกข์อันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษนในวันมาคาบูชาเมื่อวานท่านเผยบูรได้พูดถึงที่ไปที่มาของเอหิภิกขุที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดที่พระพุทธองค์ได้บวชให้1250รูป มาฟังธรรมโอวาทปาติโมวันนี้ท่านคงจะต้องเล่ามาให้ชนกันให้ได้นะคะกับนวัสการกันนะครับถ้าถ้าใครได้มีโอกาสไปประเทศอินเดียนะเราจะเห็นภาพได้อย่างเชัดเจนว่าหลักฐานทางประวัศาสตร์ก็ตาม เ, เหตุการณ์เวลาเนี่ยมันมันลงกันเหมาะจาะ ว, ว่าเออมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆเลยล่ะว่าพระเจ้าอยู่ตรงนี้ตัดเรื่องนี้ไปที่นั่นกลับมาที่นี่เจอทุคุณเหล่านี้เป็นต้นซึ่งซึ่งเรื่องราวที่เราได้ลําดับมาก็ ตั้งแต่ตอนที่ตรัสรู้ถูกไหมตอนวิชาตรัสรู้แล้วได้วันนั้นก็เข้าพรรษาหลักตรัสรู้แล้วตรัสรู้แล้วอยู่2เดือนกอ็แสดงธรรมจักใช่ไหมก็เข้าพรรษาช่วงนั้นได้สาวก60รูปจากตั้งแต่วันออกพรรษามาจนถึงมาคบบูชาเนี่ยเป็นช่วงเวลา4เดือนเนี่ยก็ได้เจอสาวกอีก1250งพันสรูปนะในช่วงที่ได้เจอสาวก1250รูปนี้ ก็มีสําคัญสำคัญก็คือท่านพระโมคคลาะท่านพระสารีบุตรด้วยดังนั้นองค์ประกอบครบละแต่คุณยมเต๋อจะเห็นว่าองค์ประกอบครบจริงๆทําไมถึงว่าครบเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็มีแล้วใช่ไหมพระพุทธนะ <Okay. S 1> พระธรรมก็คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้สงสาวกก็พร้อมแล้วก็อัครสาวกก็มีมาแล้วนะจึงควรจะต้องตรัสเรื่องที่สําคัญเพราะว่าช่วยกันประกาศศาสนาทีนี้นะ <Okay. S 1> จึงเป็น <Okay. S 1> เรื่องที่มาของโอวาทาปฏิโมกต้องทําความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องคำว่าโอวาทปาติโมกนิดนึงเพราะว่าบางคนอาจจะสับสนเกี่ยวกับที่พระลงปาติโมกทุกๆ15วันเดี๋ยฉันจะถามพอดีเลยค่ะว่ามันมันคนละอย่างกันมันคนละอย่างกันนั่นเขาเรียกว่าศีลปาติโมกปาติโมกขะสังวรนะปาติโมกขะสังวรในที่นี้ก็คือศีลที่ต้องพระปฏิบัติอยู่เป็นประจำที่เป็นสิกขาบท1้0ย้าสิบบ้างสอง้อบ้างหรือเป็นพันๆข้อบ้างตรงนี้เขาเรียกว่า ปฏิโมกขสังวรคือเนื้อหาของโอวาทาปฏิโมกเนี่ยมีไอเลสลศีลพวกนี้อยู่ด้วยมี <Okay. S 1> ปฏิโมกสังวรที่พระต้องมาลงกันทุก15วัน15วันเนี่ยมาฟัง <Okay. S 1> มีด้วย <Okay. S 1> แต่เพราะ้มันจะเป็นคนละส่วนกัน <Okay. S 1> เป็นคนละส่วนกัน <Okay. S 1> ไม่เหมือนกันสิ่งที่ที่ไม่เหมือนกันก็คือคําว่าโอวาทาปฏิโมกกับคําว่าลงปฏิโมกมันก็จะแตกต่างกันตรงนีนะ้เป็นคนละอย่างกัน <Okay. S 1> แล้วเนื้อหาของโอวาทาปฏิโมก แล้ก็มีแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวจบพระุทธเจ้าจะแต่และพระองค์เนี่ยจะมีการแสดงโอวาทาปฏิโมกข์ ok ครั้งเดียวแต่ถ้าปฏิโมกข์ที่พระมาลงบัตรอุโบสถลงปฏิโมกข์กันเนี่ยทุก15บห้วันพระพเจ้าองค์อื่นๆก็จะแตกต่างกันไปอาจจะทุกเดือนบ้างทุกปีบ้างก็แตกต่างกันไปตามสมัยของพรนะพุทธเจ้ากรรมาธ่โอวาทาปฏิโมกข์ o ok คือวันมาฆบูชาของเรานนหนึ่งสาวกพัรูปเรามีหมดแล้ว สองอร拉สาวกสองรูปเราก็มีแล้วนะแล้วก็มาพบกันในวันคืนวันเพน็ญพอดีในเหตุของวันพระวันอุโบโสถต่างๆก็มีมาพร้อมละในที่นั้นพระเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องนี้คือโอวัตาปติโมนะัแบ่งเป็น3 ส, ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยเขาก็เรียกว่ามีหลักการนะหลักการของคำสอนธรรมะนีนะ้ก็คือเรื่องของนิพพานอันดับแรกพระเจ้าพูดถึงเรื่องคันติ นะั่นคือความอดทนอดกลัน้นะความอดทนอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งทำไมพูดถึงเรื่องตะบะคุณยมติเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยคนเขานิยมการประพฤติกันบําเป็นตบนะตบะตะบะก็คือการทรมานตัวเองทําตัวเองให้เจ็บเจ็บปวดปวดอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งพระเจ้าก็บอกว่าตะบะอย่างยิ่งคืออะไรยิ่งกว่าตบะนะคือความขันติคือความอดทนนี่คือข้อที่1นึ่งนะ ค, คือเป็นหลักการนะนี่คือหลักการหลักการที่2องนะนิพพานนี่สุดยอดนะอ บาลีก็คือที่แปลเป็นไทยแล้วนะก็คือพระเจ้ากล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมหลักกข้อที่2อแล้วกะ็อุธหลักการข้อที่3ามนะัคือการทําร้ายคนอื่นเนี่ยไม่ชื่อว่าบรรณชิตหลักการที่3การทํำร้ายคนอื่นไะม่ชื่อว่าบรรณฑิตจะเบียดเบียนทางกายทางบาจาหรือทางใจก็ตามนะแล้วก็ข้อที่4ีนะ่ผู้ที่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นสมณนะนะสมณะคือผู้สงบนะในที่นี้ เพราะนั้น <Okay. S 1> การสงบจากกิเลสนะการสงบจากรกาคขัตตสสะโมหะพวกนีนะ้จะเป็นที่ว่าเป็นสมณะจริงๆรนี้สี่ข้อนี้คือคืออุดมเป็นหลักการนะหลักการ <Okay. S 1> ของของคำสอนละส่ข้อนี้ขันตินิพพานนะพูดถึงเรื่องบรรพชิตพูดถึงเรื่องสมณะเพราะทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้เป็นพระเป็นสมณะเป็นบรรพชิตหมดนะ <Okay. S 1> ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของอุดมการ์ละก็มาถึง เรื่องของหลักการแล้วก็มาถึงอุดมการนะคือพรุทธเาทั้งหลายเนี่ยจะสอนเหมือนกันพนะระพุทธเาตรัสเล่าเรื่องพระสูตรของโอบัตตปาติโมกเนี่ยได้ตรัสเล่าถึงเหตุการณ์ในสมัยของพระพุทธเาชื่อวิปัสสนะีว่าพรุทธเาวิวปัสสีก็เทศอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่าองค์ประกอบต่างๆจะแตกต่างกันไปนะเช่นจํานวนภิกษุ บ, บ้างวันเวลาที่ใช้แสดงบ้างอะไรต่างๆแต่เรื่องที่จะพูดนะอุดมการหลักการจะพูดเหมือนกัน ดัะนั้นหนึ่งคืออะไรคือการไม่ทำความช่วยทั้งปวงนะทำบาปอะไรต่างเราไม่ทำนะสองต้องทำกุศลให้ถึงพร้อมนะแล้วสามคือการทำจิตให้บริสุทธินะสาอย่างอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่เขาเรียกว่าเป็นอุดมการค่ะคือนี้ฉันกำลังสงสัยว่าที่เราจะได้ยินกันบ่อยและจำกันได้แล้วก็พูดกันต่อไปง่ายนะคะก็คือ ถ้าพูดถึงโอวาทปาติโม่เราจะพูดแค่ไม่ทําความชั่วทํากุศลให้ถึงพร้อมทําจิตให้บริสุทธิ์ใช่ซะเป็นส่วนใหญ่อ่าแล้วท่านบอกว่านี่คื อ, อดวงการคือสิ่งที่ตรัสสอนและสรุปเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทั้งปวงสอนใชน่ถูกไหมคะใช่ใช่แต่ส่วน4ี่ข้อแรกนั้นเราเรียกว่าอะไรคะที่ท่านได้กล่าวไปว่ามีขันตินิพพานหลักการกับลักษณะของหลักการอะไระะกันการอัลลังการในการที่จะเป็นบรรพชิต ในการที่จะปฏิบัติอ๋อค่ะคือส่วนนั้นเป็นส่วนของพระของงานเถอะถูกต้องถูกต้องแล้วก็อที่อุดมการเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ไปสอนให้สอนอะไรบ้างใช่ชวยสรุปค่ะแล้วถัดมาบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทําความรักความชั่วอทําความดีมันไม่เหมือนกันเหรอหรือทําจิตให้บริสุทธิ์มันน่าจะไปด้วยกันอย่างเงี้ยนะ ซ, ซ, ซึ่งตรงนี้ก็ต้องอธิบายนิด น, นึงว่าอย่างเราละความชั่วเนี่ยก็คือเช่นว่าเราตั้งมันในศีลศีล น, นี่คือการละความชั่วเพราะว่าศีลคือห้ามทำความชั่วถูกไหมคือการควบคุมกายควบคุมวาจาแต่ละการทําความดีก็เช่นว่าให้ทา น, นเช่นว่าคุณมีจิตเมตตานี่ทําความดีแล้วก็ทําจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องพูดถึงการเจริญภาวนาในที่นี้ก็เช่นโพชฌงเจตระยะม้ามยงโพชฌงเจต หรือว่าการเจริญอิอธิบาทซีพวกนี้เป็นการทําจิตให้ผ่องแผ้วได้แล้วที่เรานั่งสมาธิกันตอนต้นรายการใช้ได้ไหมคะใช่ใช่ใช่ถูกต้องนะเป็นเป็นการทําจิตให้บริสุทธิ์อย่างหนึ่งกันเองท่านคะในส่วนของข้อที่บอกว่าไม่ทําความชั่วทําความดีนั่นนะคะเด่นทนี้ท่านพูดว่าไม่เหมือนกันถูกไหมคะไม่เหมือนกันแล้วท่านพูดถึงว่าไม่ทําความชั่วคือศีล แล้วถ้าพวกเราคุ้นเคยกันเนี่ยส่วนใหญ่เราเรียกศีห้าว่าเบนจะสีทีนี้ตอนเป็นเด็กเรียนหนังสือเนี่ยก็จะมีเบนจะทำพอโตๆมาก็ลืมๆกันไปก็จะพูดกันแต่เรื่องสีห้าเว้นขาดจากนู่นเว้นขาดจากนี่ใช่ไหมคะมมมก็มีบางคนบอกว่าต้องทําเบนจะทำด้วยที่นี่กราบเบนถามท่านเพราะสังเกตจากคาสอนที่ตัวเองศึกษาเองจะคุ้นกับเรื่องของศีห้าเบนจะทำเนี่ยพระพุทธองค์ มีหลักธรรมนี้ไหมหรือว่าไม่ได้ตรัสสอนไว้หรือตรัสสอนไว้แต่ไม่ได้เรียกว่าเบญจะธรรมคือ<ม>เป็น<ง>แยกๆ ก, กันเป็นหมวดคือไม่ได้มารวมกันเรียกว่าเบญจะธรรมแต่ว่าครูบาอาจารย์รุ่นหลังเนี่ยท่านก็นพยายามจะแมชไงว่าอนัตตสีนเป็นการห้ามใช่ไหมและที่ให้ทำอะอะไรก็เลยหมวดธรรมอื่นๆพวกนี้พระเจ้าตรัสไว้อยู่แต่ว่าเป็นคนละที่คนละจุดคนละตอนไม่ได้เรียกรวมว่าเบญจะธรรมแลเรามาเรียกรวมกันภายหลัง เพื่อที่จะให้มันเข้ากันอ๋อก็เท่ากับว่ามาลูกปิ้งให้ง่ายเข้าจับกลุ่มให้ง่ายเข้าจับหมวดหมู่ให้ดีขึ้นใช่ใช่ก็ตรงนี้เป็นเหตุที่เอ๊ะถ้าไม่ทําบาปคือศีลแล้วทําบุญคืออะไรแต่วันข้อที่หนึ่งก็เลยเมตตาไงไหนเมตตาต้องคู่กับการที่ไม่ฆ่าใช่ไหมแล้วสองคือไม่รักทรัพย์ล่ะที่ไม <seu> <ation> ่รักทรัพย์ก็ต้องคู่กับสัมมาอาชีวะคุณก็ต้องหาทรัพย์อย่างดีใช่ไหมอันนี้ก็ข้อที่สองข้อที่สามที่พูดถึงว่าไม่ประพฤติเป็นในายกาม ก็ต้องมีการสำรวมในกามอันนี้ก็เป็นข้อที่สามเบนจะทำแล้วก็ข้อที่สีไม่พูดปลดใช่ไหมคุณก็ต้องพูดปาจาสัตว์เบนจะทำก็ข้อที่สีแล้วข้อที่ห้าก็คือเป็นพูดที่ไม่ประมาทในการดื่มสุราได้ไม่ไรก็ต้องมาคู่กับคนการที่มีสติสัมปชัญญะค่ะนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเข้าใจศีลอย่างละเอียดก็อาจจะไม่ต้องพูดถึงเบนจะทำเลยเพราะว่า จะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นอยู่แล้วถูกไหมคถูกต้องถูกต้อ ง, องมันก็จ ะ, ะจะไปได้เนื่องจากว่าเรามีศีลแล้วจะทําให้เกิดความไม่ร้อนใจมีปิติมีพราโมทจิตอันยิ่งก็จะมาได้อันนี้ก็จะเป็นทางระดับขั้นนั่นเองค่ะงั้นนิมนต์ท่านไปต่อเลยค่ะทีนี้พอพูดถึงหลักการอุดมการณ์ต่างๆแล้วเอาแล้วจะดําเนินการกันยังไงวิธีการในการปฏิบัติพระเจ้าได้พูดถึง6อย่างวิธีการในการปฏิบัติของพระในในธรรมะวินัยนี้จะต้องมีอย่า6อย่างนี้ขึ้นนึง ต้องไม่กล่าวร้ายใครน่าจะไปใส่ร้ายป้ายสีศาสนานั้นไม่ดีศาสนานี้แย่ศาสนาฉันดีที่สุดโอ้โอไม่ใช่ไม่ใช่ใชนิมไม่ใช่แล้วต้องไม่กล่าวร้ายใครนี่คือข้อที่1นึข้อที่2น่าไม่ทําร้ายใครด้วยแต่ทําทร้ายในที่นี้เนี่ยหมายถึงการใช้อัดยาการใช้สัตว์ตาน่าคือการกล่าวร้ายก็ด้วยปราชญ์ใช่ไหมการทําร้ายก็ด้วยอัดยายด้วยสัตรา์าเช่นกูบ้างหรือว่ามีการฆ่ดโทษบ้างอะไรบ้างก็จะไม่ทําอย่างนั้น อันนี้ะจะไม่ใช่คําสองพรชเจ้าข้อที่3ามการสํารวมในปาติโมกตรงนี้แหละหการสํารวมในปาติโมกในนี้ในที่นี้ก็คือหมายถึงศีลของพระสองร้ข้อที่เราคุ้เคยกัน150ข้อบ้างหลายพันข้อบ้างอ๋อที่บอกว่าจะมาทบทวนกันทุกก <15 S 1> ืองเดือนใช่วานใช่ตรงนี้คี่คือข้อที่3ตรงนี้คือข้อนี้นั่นเองใช่ใ ช, ใช่เพราะฉะนั้นพระต้องอยู่ในศีล น, นะพูดที่จะไปช่วยกัน เ, เปิดเผยคำคำสอนพรชา แลนะคุณต้องไม่กล่าวร้ายคุณต้องไม่ทําร้ายสามคุณต้องมีศีลด้วยนะัคือข้อที่สาตรงนี้แล้วข้อที่สี่คือการที่รู้จักประมาณในการบริโภคนะข้อที่สี่นี่คือพูดถึงการประพฤติตัวเลยนะการประพฤติตัวของผู้ที่จะไปไปบอกต่อธรรมะไปบอกสอนธรรมะเ <Okay. S 1> พราะตอนนี้มีบุคลากรครบแล้วนะมีองค์ประกอบครบแล้วนะมีทั้งอัครสาวกต่า ง, า ง, างๆเพราะนั้นก็ควรจะต้องมีข้อปฏิบัติอย่างนี้ข้อที่สี่คือการรู้จัก ประมาณในการบริโภคข้อที่5คือการที่อยู่ในที่อันสงัดนะที่นั่งที่นอนอันสงัดอย่าไปเที่ยวตามที่บุคคลมันพลุกพล่านหรือว่าทําเสียงอึกทึกคึโครมอะไรต่างๆนะไม่ดีไม่ควรนี่ไม่ใช่วิธีการคร่ะเพราะฉะนั้นถ้าวิธีการที่มันจะต้องมีเสียงอึกทึกคโครมนี้ก็จะเริ่มไม่ใช่ล่นะนี่คือข้อที่ห้าข้อที่6นะั่นคือการทําความเพียรในจิตอันยิ่งคำสองพระเช่าจะเน้นเรื่องของ เรื่องของการปฏิบัติในในจิตอันยิ่งดันะะนั้นตัวคุณที่จะไปบอกเขาคุณก็ต้องทำด้วยนะจิตอันยิ่งนี่มันอะไรนะคือแค่เช่นสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นายนะเมตตานะหรือพรหมวิหารสี่ก็ใช่อิธนะิบาท4ี่ก็ใช่โพชฌงเจดก็ใช่นะคุณจะทำอะไรต่างๆที่จะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นดีขึ้นละเอียดขึ้นพวกนี้คืออธิจิตคือจิตอันยิ่งทั้งนั้นนะนี่คือหข้อ6วิธีการ ที่สามารถใช้ได้ต้องมีต้องมีเลยในการที่จะไปเผยแพร่หรือว่าแสดงคำสอนนั่นเองถ้าดิฉันจะเปรียบเทียบในวันมาค้าบูชาครั้งพุทธกาลเมื่อเอหิพิกขุหรือพระอาหารพันสรรูปมารวมกันแล้วท่านแสดงโอวาทปาติโมกนี้เท่ากับโอวาทปาติโมกเนี่ยเหมือนกับการ สัมมนาพระธรรมทูตก่อนที่จะปล่อยให้ออกไปเผยแผ่ธรรมะอย่างนั้นนะะใ ช, ใช่ใช่ใ่พูดอย่างนั้นได้เลยพูดอย่างนั้นได้เลยเนื่องจริงๆธรรมทูตนี้เขาถ้าดิเขาเรียนอันนี้ก็จะดีมากแต่คิดว่าเขาเรียนกันอยู่แล้วละ่ะท่านคะงั้นเท่ากับว่าวันมาเข้าบูชาความสําคัญของโอทัปติมโมในเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์โดยตรงเลยสิคะก็พันสอรสิรูปใ น, นงานพระหมดเลยนน ะ, ะ ไ, มไม่ค่ะที่ฉันเข้าใจว่าหมายถึงถ้าจะมาเอ็โคหมายถึงว่าจะสะท้อนในสิ่งที่ พระพุธองทำในยุคนั้นสมัยนั้นมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือตรัดกับพระภิกษุทุกรูปด้วยเหมือนกันแต่ไม่ใช่คารวาสถูกไหมคะใ ช, ใช่ใช่่จะพูดอย่างนั้นก็ได้นะค ะ, ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระสงฆ์ถ้าจะว่าไปถูกต้องอก็จะมีหลายคนที่ให้ให้ความเห็นว่าอย่างนั้นใช่ใช่ใชว่าอันนี้เป็นวันพระสงฆ์ ค่ะต้องบอกว่าอันนี้เป็นความรู้ที่เรียนเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวันมาคบูชาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับกลัวธปติโมกว่าพระพุทธองค์เนี่ยโอ้ได้ตรัสอย่างเป็นระบบเลยนะคะคือแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่เลยหลักการเป็นพระเนี่ยเป็นบรรพชิตเป็นอย่างไรจะไปสอนนี่ต้องมีอุดมการในการสอนอะไรบ้างแล้วก็วิธีปฏิบัติตนของพระที่เป็น เป็นพระสงมของพระพุทธเจ้าเองพูดแค่นี้ได้ไหมคะหรือว่ามียิ่งกว่านั้นเออเป็นภิกษุในธรรมะวินัยนี้แวงกันอภิกษุในธรรมะวินัยนี้ท่านฟังก็เียยังคิดว่าได้ประโยชน์เยอะนะคะและเราจะได้รู้ว่าอ๋อทรงตั้งใจให้พระภิกษุ ข, ของพระองค์นั้นเป็นอย่างนี้ทรงตั้งใจให้มาสอนอย่างนี้แต่เดี๋ยังคิดว่าที่เขาตัดตอนออกมาสามข้อไม่ทําความชั่วทํากุศลให้ถึงพร้อมกับทาจิตให้บริสุทธิ์พูดถึงกันบ่อยๆเพราะว่าอันเนี้ย เป็นสิ่งที่เขาจะมาบอกผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่ า, าพุทธบริษัททุกคนใช่ไหมคะใช่ใช่นะคะงั้ น, น, นเรื่องเรื่องของขโอวาทปริโมอะไรมันต้องต้องขอบอกอย่างนี้ว่าคืออย่างในวันสำคัญต่างๆเนี่ยเป็นวันที่เรา ใ, ให้ให้ระลึกถึงนะในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอันนี้ดีอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งอย่าไม่ใช่ว่าทำเฉพาะวันนี้เท่านั้นแล้ววันอื่นคุณเลิกทาแหมมันจะไม่ดีนะให้ทาไปตลอด นะให้ทำอยู่เรื่อย ๆ, ๆนะมีการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเ น, นื่องโอ้เราอาจจะอาศัยวันนี้ในการที่จะเป็นเครื่องเตือนใจขึ้น่องระลึกถึงอันนี้ก็ดีแต่ย่อยอย่าทิ้งนะคือพอพรุ่งนี้แล้วคุณไปทําชั่วเนี่ยโอยอย่าทํามันไม่ดนะีให้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดนะอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจขึ้น่องระลึกถึงอันนี้ก็จะทําให้เราสืบต่อเนื่องการปฏิบัติของเราไปได้นั่นเองค่ะบางคนตั้งใจปฏิบัติทำอย่างดีเลยพอออกจากคอร์สปฏิบัติทำฉลองสักหน่อยกลืบเลยค่ะท่านคะที่ฉันเคยเห็นหลายครั้งบางทีไปไกลนะคะค ไปถึงแดนพุทธภูมินะ่ะแต่เหมือนกับว่าพอมันหมดกําหนดอย่างเป็นทางการนนยอยู่ในห่วงของการทํากุศลปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าต้องฉลองอืวันนี้เป็นวันมาคะบูชาฉลองพระพุทธเจ้าฉลองกันให้ถูกถ้าคิดว่าวาเลนไทน์ซ้อนทับกับมาคะบูชาฉลองวาเลนไทน์อย่างมีธรรมของพระศ า, าสดาก็ต้องทําแบบนี้เลยนะคะไม่ทําความชั่วทํากุศลให้ถึงพร้อมทําจิตให้บริสุทธ กราบมัศการขอบพระคุณท่านทวยบุนเป็นอย่างยิ่งนะคะและเราก็คงจะเชิญชวนท่านฟังทั้งหลายไปพบกันกับรายการนี้สัปดาห์หน้านมัสการกันท่านคะท่านผู้ฟังที่เคารพคะขอส่งท้ายรายการสันสนิษฐานาในวันมาฆบูชาวาเลนไทน์นี้นะคะอีกครั้งหนึ่งว่ารายการเราเออกอากาศทางสถานวีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้เราเกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วไม่เสียเปล่าสอนอะไรนำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นมาทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้มีความสุขกันทำบุญกันให้มากๆทากุศลให้เยอะๆในมาคบูชาละวันอื่นๆพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะพุทธสวสตรีค่ะ